ที่เขาสอยดาวนะเมืองจันมีสถานที่แห่งหนึ่งชื่อว่าสันติภาวันเป็นสถานพำนักภิกษุอาภารยะท้ายอาจารย์พิชิตเนี่ยซึ่งท่านเคยอยู่ที่สุกโตเนะี่ยท่านไปเริ่มเอาไว้นะกับสหธรร ม, มิกนะคือท่านโตแล้วก็หมู่มิตรจำนวนหนึ่งที่เป็นขรือหันเดิมก็สัตนติภาวันก็อยู่ ที่สุขโตนี่แหละแต่ต่อหลังก็ย้ายไปที่ซอยดาวเพราะว่าที่ทางาเหมาะสำหรับการดูแลภิกษุระยะท้ายที่อาพาธสถามพิทักษแบบนี้เนี่ยภาษาฝรัร่งเรียกว่าฮอสปิสนะซึ่งมีน้อยมากในเมืองไทย ยิ่งออสปิตสสำหรับพระอ่าภริยา้ายแล้วนี่ยิ่งน้อยเข้าไปใหญ่นะอาจจะมีแค่แห่งสองแห่งเท่านั้นแหละในเมืองไทยเป็นสิ่งที่ควรจะมีให้มากๆนะเพราะว่าเวลาคนเราป่วยระยะท้ายเนี่ยจำนวนไม่น้อยเลยนะก็ใช้วิธีการยือ้อแล้วก็ไปยื้อกันที่โรงพยาบาล ระหว่างที่ยื้อก็มีความทุกข์ทรมานบางที่ทุกข์ทั้งกายแล้วก็ทุกข์ทั้งใจเดี๋ยวไม่ต้องพูดถึงญาตินะที่ต้องเป็นทุกข์กับชะ ต, ตากรรมของผู้ป่วยที่ทุกข์ทรมานเพราะการยื้อชีวิตแล้วมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะคารวานนะเดี๋ยวนี้ก็เกิดขึ้นกับพระด้วย จากนั้นที่หลายรูปก็เป็นครูบาอาจารย์นะเป็นพิพัธศนอาจารย์ที่ท่านก็ไม่คิดที่จะหนีความตายแต่สุดท้ายก็ถูกพาไปยื้อที่โรงพยาบาลจนมรณภาพตนนั้งที่ที่มันมีวิธีการที่ดีกว่านั้นคือในการดูแลแบบประคับ ป, ประคอง ไม่ได้เร็งความตายแล้วก็ไม่ได้ยื้อชีวิตจนทุกข์ทรมานแต่เพื่อทําให้มีความสุขสบายที่สุดนะในระหว่างที่อาพาธแล้วก็อย่างน้อยก็ลดความทุกข์ทรมานที่ไม่จําเป็นซึ่งส่วนก็เกิดจากกระบวนการรักษาที่เป็นแปลเพื่อยื้อชีวิตหรือยืดลมหายใจ สถาพนพำลักสําหรับภิกษุอาพาธระยะท้ายเนี่ยอย่างที่บ่อนั้นมีน้อยเรื่องการทีอ่อาจารย์วิชิตเนี่ยไปรเริ่มาไว้นะนันจึงเป็นเรื่องที่นามนุมโมทนามากแล้วที่สมคัญคือว่าท่านมองเห็นว่าเนี่ยการดูแลภิกษุอาพาธเนี่ยถ้าเป็นภาด้วยการดูแลนี่จะเหมาะสมที่สุด เพราะว่าสามารถจะเอื้อเฟื้อให้เป็นไปตามพระธรรมวินัยสำหรับผู้ป่วยที่เป็นอาที่เป็นภิกษุได้บางท่านก็เคร่งวินัยนนถ้าให้คารวะดูแลบางทีคารวะก็อาจจะไม่รู้ทำเนียมแล้วก็เรื่องวินัยของพระดีเท่ากับพระด้วยกันเอง งั้นอาจารวิชชีก็ดีแล้วก็ท่านโตนี้ก็ก็เป็นกำลังสำคัญเลยนะในการดูแลพระอาภาพซึ่งถ้าหากว่าอยู่ในริยะท้ายนี้ก็เรียกว่าต้องดูแลกันเกือบจะ24ชั่วโมงเลยแล้วท่านก็ดูแลมาได้2ปีแล้วนะ พึ่งครบสองปีเมื่อเดือนที่แล้วเรื่องราวของสันติภาว น, นี้ก็และหลังก็เป็นที่รับรู้กันอย่างกว้างขวางทางโซเชียลมีเดียโดยเพพาะในแวดวงญาติโยมสาวุชนและก็มีจำนวนมากทีเดียวนะที่ส่งข้อความไปให้กำลังใจ อนุโมทนาเนี่ยคือข้อความที่สร้างสันติภัน์ได้รับมากที่สุดเลยนะจากญาติโยมไม่นับปัจจัยหรือข้าวของเครื่องใช้สาหรับผู้ป่วยซึ่งก็มีมากทีเดียวพอที่จะแบ่งไปให้ที่อื่นหรือแม้กระทั่งโรงพยาบาลได้ด้ยวยซ้ำ ลายิชิตาวาเนี่ยเมื่อเร็วนี้ก็มีโยมคนหนึ่งเขียนข้อความมาสั้นๆ น, นะบอกว่าอย่างดีนะที่ดูแลพระถ้าเพราะว่าถ้าดูแลโยมนี่คงจะเหนื่อยกว่านี้มากนะเขียนทํานองนั้นอย่างดีนะที่ดูแลพระ เพราะว่าถ้าดูแลโยมีจะเหนื่อยมากท่านก็ตั้งข้อสังเกตนะกับผู้ที่คิดแบบนี้ว่าคงเป็นเพราะเห็นว่าพระเนี่ยเป็นผู้ที่มีศีลมีวินัยมีธรรมะเวลาเจ็บป่วยเวลาอาภาษณ์เนี่ยการดูแลก็คงจะไม่ยากเท่าไหร่ไม่เหมือนโยม แต่ท่านบอกว่าไม่ใช่เลยนะเพราะพระบางรูปนี้ก็ดูแลยากเหมือนกันแล้ท่านก็ยกตัวอย่างมีพระรูปหนึ่งนะทีออ่มาอยู่สันติภาวันเป็นปีแล้วไม่ได้ป่วยระยะท้ายนะแต่ว่าก็มาอยู่เพราะว่า ไม่มีใครดูแลท่านมีแผลกดทับเป็นแผลใหญ่เลยก็ะจะเป็นพ่อเบาหวานแล้วก็ต้องตัดขาตั้งแต่ใต้หัวเข่าเนื่องจากไม่ใช่เป็นผู้ป่วยระยะทย้ายหรือผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยก็น่าจะดูแลง่ายแต่ความจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลยนะเพราะว่าท่านเนี่ยเรียกร้องนะ มากมายเหลือเกินต้องการให้คนนี้ช่วยเหลือท่านอยู่ตลอดเวลาโดยที่ไม่ได้คิดที่จะช่วยตัวเองเลยท่านนั่งรถเข็นนะก็ไม่ยอมหมุนรถเข็นเองนะฝนตกก็ไม่ยอมหมุนต้องให้พระหรือโยนเนี่ยช่วยเข็นอ่าไปให้เวลาจะย้ายตัวเองเนี่ยขึ้นจากรถเข็น จะรถเข็นขึ้นเตียงเนี่ยก็ทิ้งน้ำหนักทั้งตัวลงไปเลยให้ตัวใหญ่มากให้พระโยมเนี่ยช่วยอุ้มขึ้นทั้งที่ท่านก็มีอีกขามีขาข้างหนึ่งนะที่สามารถจะช่วยพยุงตัวให้ขึ้นบนเตียงซึ่งเป็นการช่วยลดแรงนะเบาแรงของผู้ที่ ช่วยท่านนะุ่มขึ้นเตียงแต่ท่านไม่สนใจเลยนะขาที่มีอยู่อีกข้างนึงก็ไม่คิดจะมาใช้พยุงตัวเองเลยทิ้งน้ำหนักทิ้งตัวลงไปเต็มที่นะเพื่อให้พระที่ดูแลเนี่ยยกขึ้นเตียง เวลาอยู่บนเตียงเนี่ยจะนั่งเนี่ยก็ไม่ยอมยันตัวขึ้นมานั่งนะทั้งที่ทำได้ก็ต้องให้คนเนี่ยช่วยประคองขึ้นมาท่านสมองเนี่ยอยู่ดูแลการดูแลมาเป็นปีแล้วเนี่ยก็ไม่เคยที่จะเอ่ยปากขอบคุณพระหรือโยมที่ช่วยดูแลเลยแต่เรียกร้อง ตัดพ้อว่าแมทำไมไปดูแลพระเตียงนั้นรูปนั้นได้ดีกว่าตัดพ้อว่าเนี่ยดูแลตัวเองนี่นไม่ดีเท่ากับพระรูปอื่นพระเตียงนั้นเตียงนี้เวลาฉันอาหารนี่ก็ก็ฉันตามใจปากนะมีเงินเวลาได้เงินมาก็ให้โยบไปซื้ออาหารที่ถูกใจ ทั้งที่แสดงต่อโลกก็อาา่านที่ที่เป็นป่วยเยพราะชอบกินอาหารที่ถูกใจเนี่ยแล้วก็ไม่รู้จักยับยังบางทีก็ให้โยมไปซื้อหวยก็เรียกว่าเป็นถ้าพูดแบบอมองจากสายตาคนทั่วไปคือเป็นเป็นผู้ป่วยที่น่าระอา แล้วก็ท่านวิชิตเนี่ยอาจารย์วิชิตเนี่ยก็เคยคุยนะกับภาพรูปนี้ทั้งในเรื่องการปฏิบัติตัวเพื่อที่จะช่วยเกื้อสุขภาพดีขึ้นเป็นภาระรกับคนอื่นน้อยลงยแต่ถ้าไม่สนใจคิดแต่จะตามใจตัวแล้วก็คิดแต่จะหาความสุดกสบายเรียกร้องจากคนนั้นคนนี้ไม่ได้ก็บ่น ผงคิดว่าเป็นหน้าที่ของเขาทั้ง ท, ที่ท่านอยู่ไม่ใช่โรงพยาบาลนะมันก็เป็นงานที่เกิดจากน้ำใจที่อยากจะช่วยไม่ได้มีสิ่งตอบแทนหรือไม่เพอเป็นหน้าที่เลยแต่ผูป้ประลาดท่านก็ไม่สนใจก็ยังทำตัวเหมือนเดิมแต่ว่าท่านก็ อาจารย์พิชิตก็ไม่โกรธนะขัดใจอยู่บ้างนะท่านยอมรับนะแต่ว่าท่านก็ยอมรับนะยอมรับพฤติกรรมของภาพรูปนี้แล้วก็เข้าใจว่าท่านคงมีภูมิหลังบางอย่างที่ทำให้เป็นอย่างนี้ก็เลยไม่ได้คาดหวังอะไรจากภาพรูปนี้พอไม่คาดหวังนะ ก็ไม่ทุกอะไรนะท่านบอกว่าเนี่ยท่านถือว่าพระอาพัตทุกรูปเนี่ยเป็นครูของท่านนะไม่ว่าจะเป็นพระที่วางง่ายหรือพระที่เอาแต่ใจตัวนั่นก็ถือว่าทั้งหมดนี้เป็นครูของท่านท่านก็ถือว่าการดูแลท่านเนี่ย หรือดูแลพระเหานี้ก็เป็นการปฏิบัติธรรมของท่านเวลาเจอเหตุการณ์อะไรที่ทำให้ขุนคล่องมองใจท่านก็มองว่านี่คือโจทย์ที่มาฝึกฝนให้ไวต่อใจที่กระเพื่อมไวต่ออารมณ์ที่ขุนมัวพอมองแบบนี้เข้าเนี่ยก็ไม่ปฏิเสธผักใสาอารมณ์ที่ขุนมัวนะยอมรับแล้วก็หาประโยชน์จาก สิ่งเหล่านี้หาประโยชน์ยังไงก็คือทำให้เข้าใจตัวเองระหว่างที่ช่วยเหลือดูแลพระอาพาธก็ได้เห็นใจตัวเองไปด้วยแล้วก็ได้ฝึกฝนตนไปพร้อมๆกันท่านก็เลยนะไม่ไม่ไมทุกข์ไม่โกรธแล้วก็ไม่ได้คิดลำคาญหรือละอาก็จะไม่เห็น ก็จะไม่ขอบคุณเขาช่างเขาเพราะว่านี่คือการปฏิบัติธรรมของเราได้ฝึกใจให้รู้จักปล่อยรู้จักวางแล้วก็ลดความคาดหวังให้มุมมองหรือท่าทีของอาจารย์วิชิตเนี่ยตั้งตอกกรณีพระรูปนี้แล้วก็ภิกษุอาภา ร, รูปอื่นเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าคิดนะคือเวลา คือการที่มองว่าภิกษุอาพาตที่เป็นครูของเราการดูแลท่านเป็นการปฏิบัติธรรมของเราเนี่ย น, นี่มันเป็นเป็นท่าทีนะหรือมุมมองที่มันไม่ใช่เป็นประโยชน์เฉพาะการดูแลพระที่ป่วยหรือการดูแลพ่อแม่ที่เจ็บป่วยนะเท่านั้นนะแต่ว่ามันเป็นมุมมองที่ ที่มาใช้ได้นะกับการดาเนินชีวิตแต่มก็ขึ้นเดี๋ยวว่าคนเรานี่มองชีวิตแบบไหนนะคนที่มองชีวิตว่ามีชีวิตเพื่อหาความสุขหาความสบายเนี่ยเวลาเจอปัญหาหรือเจอคนแบบนี้หรือเจอเหตุการณ์ที่ทำให้คุณข้องหมองใจเนี่ยก็จะโกรธโนะมโห หรือว่าบางทีเกิดความท้อแท้เพราะล้วนแต่เป็นสิ่งที่ไม่ถูกใจเป็นสิ่งที่ไม่ได้ทำให้ชีวิตเนี่ยสะดวกสบายง่ายขึ้นเลยถ้าคนส่วนเป็นอย่างนั้นนะชีวิตเนี่ยมีขึ้นมีชีวิตนี่อยู่เพื่อหาความสุขหาความสบายเพอเจอคนที่ไม่น่ารักเจอคนที่น่าระอาเนี่ก็จะโกรธโมโหเป็นทุกข์ บางทีก็กลดาชะตากรรมหรือว่ากลดาเหตุการณ์ต่างๆแต่ถ้ามองว่าชีวิตเนี่ยมันมีขึ้นเพื่อการฝึกฝนตนเรามีชีวิตเนี่ยเพื่อฝึกฝนเพื่อพัฒนาตนพัฒนาเพื่ออะไรนะถึงที่สุดก็เพื่อออกจากทุกข์ถ้าคนเรานี่ถ้าว่ามองชีวิตเนี่ยเรามี เราดำเนินเนี่ยเพื่อการฝึกฝนตนเนี่ยจะมองปัญหาอีกแบบหนึ่งนะจะไม่ได้มองปัญหาหรือคนที่น่ารอาเนี่ยในทางที่เกิดความโกรธเกิดความโมโหแต่ว่ามองว่าเป็นครูมองว่าปัญหาที่เกิดเหตุการณ์ที่ช่วนให้ขุนข้องมองใจพวกเนี้ยเป็นโจทย์ ที่จะมาฝึกฝนเราให้รู้เท่าทันทั้งกิเลสและความทุกข์ในใจหรือเป็นสิ่งที่ฝึกฝนให้เรามีความอดทนฝึกฝนให้เรามีปัญญามันจะให้ผลที่ต่างกันเลยนะแต่บางคนเนี่ยแม้ว่าจะเป็นนักปฏิบัติธรรมมวัดเนี่ยแต่ก็ยังคิดนะเหมือนชาวโลกว่าเนี่ยเรามีชีวิตเพื่อหาความสะดวกความสบาย พอเจอปัญหาเจอความยากลำบากก็บ่นวอยวายตีโพยตีพายอันนี้เพราะเขาไม่ได้มองทะลุไปถึงว่าเรามีชีวิตเพื่ออะไรถ้าเป็นนอกปฏิบัติทำจริงๆเนี่ยก็จะมองว่าเรามีชีวิตเพื่อการฝึกฝนพัฒ น, ฒนาต น, น, นอะไรที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยล้วนแล้วเป็นสิ่งที่มาฝึกให้เราได้เรียนรู้เรียนรู้เกี่ยวกับโลกเรียนรู้เกี่ยวกับผู้คนแล้วก็ที่สำคือเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเอง ไม่ได้แปลว่าจะไม่มีความขุ่นมัวนะแต่เมื่อมันเกิดขึ้นก็เห็นมันรู้ทันมันแล้วก็เป็นโอกาสที่ได้ฝึกให้ไวต่อกิเลสและความทุกข์ที่เกิดขึ้นอันนี้มันก็ทำให้การพัฒนาตนเนี่ยเกิดขึ้นได้คนเราถ้ามองว่าปัญหาเหตุการณ์ที่เลวร้ายเนี่ย ซึ่งทางธรรมะเรียกว่าอ น, นิถารมเนี่ยอ น, นิธารมคือรูปรสกลิกก่นเสียงสัมผัสที่ไม่น่ารักไม่น่าพอใจรวมทั้งเหตุการณ์ที่ไม่น่ายินดีเช่นเสือเส่อมลาบเสื่อมทรัพย์หรือว่าถูกสารถูกนินทาเสื่อมจศแล้วก็รวมไปถึงความเจ็บความป่วยความพาเพ่าสูญเสียเนี่ยไอ้พวกนี้มันเป็นโจทย์เป็นการบ้านนะที่มาฝึกเรา คนเราถ้าคิดว่าชีวิตเนี่ยมันมีขึ้นหรือดำรงชีวิตเพื่อการฝึกฝกพนพัฒนาตนเนี่ยนะมันจะทุกน้อยนะแม้ว่าจะถูกกระทบจากการกระทําและคำพูดของผู้คนหรือจากเหตุการณ์ต่างๆแต่ก็มองว่าเป็นโจทย์เป็นการบ้านอยู่เสมอหรือมองเป็นครูเพราะเพราะจิตใจเนี่ยฝ่รู้ เมื่อมุ่งพัฒนาตนเมื่อฝึกฝนตนเนี่ยก็คิดแต่จะเรียนรู้เพื่อปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นมันไปด้วยกันนะไฟรู้กับมุ่งฝึกฝนพัฒนาตนเนี่ยนันเจอปัญหาเจ อ, อประสักค์เจอคนไม่น่ารักนะทนที่จะทุกข์นะก็สามารถจะรักษาใจไม่ให้ทุกข์ได้เพราะว่านะได้ฝึกฝน ไดเอามาเป็นโจทย์ฝึกฝนตนโดยเพราะการเห็นอาการของใจที่เกิดขึ้นคนที่มุ่งฝึกฝนพัฒ น, ฒ น, ฒนาต น, นยอย่างที่บอกนะสุดท้ายก็เพื่อออกจากทุกข์และถหากว่าฝึกฝนพัฒ น, ฒนาตนจริงก็ต้องหันกลับมามองตนแล้วก็เรียนรู้ว่าไอเหตุแห่งทุกข์ที่แท้จริงเนี่ยมันก็อยู่ที่ใจของเราไม่ใช่อยู่ที่คนนั้นคนนี้แม้ คนบางคนจะทำตัวเป็นปัญหาหน้าระอาแต่ก็ไม่สามารถทำให้ใจเราเป็นทุกข์ได้ถ้าเรารู้จักมองอย่างเช่นยอมรับว่าเขาเป็นคนแบบนี้แหละเปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้หรอกหรือเข้าใจว่าก็มีภูมิหลังมีมีประสบการณ์มีการสั่งสมมาแบบนี้เช่นถูกตามใจมาตลอด เป็นพระถูกญาติโยนตามใจตลอดนะก็เลยไม่คิดที่จะช่วยตัวเองเอาแต่จะเรียกร้องจากคนอื่นหรือชอบมองออกไปนอกตัวเมื่อเข้าใจว่าเขาเป็นคนแบบนี้มันก็ไม่คิดที่จะเปลี่ยนแปลงเขาแต่ว่าเอาคนอย่างนี้มาเป็นโจทย์เป็นแบบฝึกหัดในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง อยน้อยก็มาทําให้ได้เห็นใจที่มันกระเพื่อมใจที่มันขุนมัวแล้วก็ไม่ปล่อยให้ความขุนมัวนั้นมันครอบงำนะอันนี้ก็มันก็นําไปสู่การฝึกฝนแล้วมันก็นําไปสู่การหาหนทางออกจากทุกข์ได้ออกจากทุกข์ที่เกิดจากการสร้างทุกข์ให้กับตัวเองคนส่วนใหญ่นะเวลาเจอ เวลาเจอเหตุร้ายเนี่ยหรือเจออนิจธารมเนี่ยทนเปรียบว่าเจอลูกธนูสองดอกนะสิ่งที่มากระทบคืออนิจธารมเนี่ยหรือการกระทำคำพูดที่ไม่ถูกใจหรือเหตุกา ร, เรา์เสื่อมลาบเสื่อมยศเนี่ยอันนี้เลือกเป็นเป็นลูกธนูดอกแรกซึ่งไม่มีใครหนีพ้นนะ พระอรหันต์แม้แต่พระ เ, เจ้าก็ต้องเจอนะธนูดอกแรกเนี่ยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้เจอแค่ดอกเดียวเจอสองดอกดอกที่สองเนี่ยนะไม่มีใครทำให้นะตัวเองทำเองอย่างเช่นพอเจอการกระทาและําพูดที่ไม่ถูกใจก็มีความโกรธมีความแค้นนะอันเนี้ย มันเกิดจากการวางใจที่ผิดนะไม่รู้จักวางใจให้ถูกก็เลยเกิดความทุกขนะ์ใจขึ้นมาอันนี้ท่านเปียวเป็นธ น, นูดอกที่สองซึ่งไม่มีใครทำแต่ตัวเองทำเองเวลาเจอความเจ็บความป่วยนะ ความเจ็บป่วยทางกายเนี่ยอันนี้เรียกธนูดอกแรกแต่ส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้แค่ป่วยกายใจก็ป่วยใจก็ทุกข์อันนี้อันนี้เรียกว่าธนูดอกที่สองซึ่งเกิดจากความยึดมั่นถือมั่นในกายนี้หรือเกิดจากความยึดมั่นถือมั่นในเวทนาที่เกิดขึ้นก็แล้วแต่เวลาสูญเสียทรัพย์นะไม่ว่าจะเป็นเพราะมีใครขโมยหรือโกงไปอันนี้ธนูดอกแรก แต่ความขับแค้นความโศกเศร้านะความกลัดกลุ้มเนี่ยในใจของเจ้าของทรัพย์เนี่ยอันนี้คือธนูดอกที่สองซึ่งมันเกิดจากการวางใจที่ไม่ถูกต้องเวลาทำงานเนี่ยงานมันยากงานมันหนักอันนี้ก็อาจจะเรียกว่าเจอธนูดอกแรกเพราะว่าทำแล้วเหนื่อย เหนื่อยกายแต่ถ้าเหนื่อยใจนะผุ่นเครื่องคับแคนเนี่ย น, นี่ธนูดอกที่สองแต่คนเราเนี่ยทำงานแม่เหนื่อยกายเนี่ยแต่ใจไม่เหนื่อยก็ได้นะเราสามารถฝึกได้อาจารย์วิชิตเนี่ยท่านก็บอกว่าเนี่ยทำงานดูแลผู้ป่วยเนี่ยลำพังการดูแลทางกายนี่ก็เหนื่อยอยู่แล้วแล้วต้องมาเจอพฤติกรรมที่นาระอา ของพระบางรูปของผู้ป่วยบางท่านเนี่ยถ้าวางใจไม่ถูกเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่เหนื่อยกายนะมันเหนื่อยใจมันท้อแต่ว่าพอวางใจถูกนะมันก็แค่เหนื่อยนะแต่ไม่ทุกข์ไม่ท้อแถมมีความสุขด้วยเป็นของแถมความสุขเป็นของแถมสุขที่ได้ช่วยผู้ป่วยแล้วก็สุขที่ได้ นะฝึกฝนตนได้เห็นความเจริญงอกงามนะในจิตใจของตนรู้สึกพอใจเป็นกุศลก็ได้โอนี้มันเรียกว่าเป็นการวางใจที่ที่เราควรจะทำนะคือเวลาเจอธนูดอกแรกเนี่ยหรือเหตุการณ์ที่ไม่น่าพึงพอใจความสูญเสียพัดภาคเจอคาต่อว่าดาทอแต่ว่า ก็เจอแค่ธนูดอกเดียวธนูดอกที่สองเนี่ยที่เคยเอามาทิ่มตัวเองก็รู้จักมีสติยับยั้งไว้มันเป็นอย่างนี้นะธนูดอกแรกเนี่ยมาจากข้างนอกจากคนอื่นนะแต่ธนูดอกที่สองเนี่ยส่วนใหญ่ร้อยทั้งร้อยเนี่ยเอามาทิ่มตัวเองก็คือซ้ำเติมตัวเอง แทนที่จะป่วยกายก็ป่วยใจด้วยแทนที่จะเสียแต่ทรัพย์ก็เสียใจเสียสุขภาพจนเสียงานเสียการแล้วบางทีทะเลาะเบาแวงกันจนเสียเพื่อนนะอันนี้เรียกว่าดอกที่สองดอกที่สามดอกที่สี่เนี่มันมาจากน้ำมือของตัวเองอันนี้พราะวางใจไม่ถูกนะแต่ถ้าวางใจถูกนะอย่างที่อาจารย์วิเชตได้เล่ามาเป็นตัวอย่างนี่นะ เช่นมองว่าเนี่ยเขาเป็นครูของเราการทํางานดูแลก็เป็นการปฏิบัติธรรมของเราเหตุการณ์ต่างๆที่ทําให้ขุนมัวมันคือโจทย์ที่มาฝึกฝนใจเราจนกระทั้งสามารถอยู่กับความขุนมัวด้วยใจที่ไม่ทุกข์แถมยังได้เห็นตัวเองชัดเจนขึ้นแล้วก็รู้จักพาใจออกจากความทุกข์ได้คือออกจากความขุนมัว ผู้ใหญ่คือแทนที่จะเอาธนูดอกที่สองมาเสียบมาแทงตัวเองก็ก็หยุดซะไม่ทำต่อเจอแค่ธนูดอกแรกก็พอแล้วและไม่ใช่แค่อแลอวเว้นที่จะเอาธนูดอกที่สองมาทิ่มตัวนะก็สามารถที่เปลี่ยนธนูดอกแรกให้กลายเป็นดอกไม้ได้ด้วยให้เป็นของดีได้เหมือนกับที่หลวงพ่อท่านหนึ่งทขาบอกเนี่ยคนดีใครปลาขี้หมาให้เขกลายเป็นดอกไม้ แต่ก่อนที่เป็นดอกไม้อย่างน้อยรักษาใจไม่ให้ทุกข์ก่อนเจอชนุดอกแรกสิ่งหนึ่งที่เราทําได้คือไม่เอาชนุดอกที่สองนี้มาทิ้มตัวเองคือเจอเจอทุกข์แต่ว่ารักษาใจไม่ให้ทุกข์และต่อไปทําให้ดีกว่านั้นคือหาประโยชน์จากมันหรือสามารถใช้มันนะเป็นเป็นปุ๋ยที่บํารุงความสุขทางใจให้กับเราอันนี้คือสิ่งที่เราควรจะ ฝึกฝนตนนะแล้วก็ทำให้เกิดขึ้นโดยอาศัยเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันนี่แหละนะมาเป็นแบบฝึกหัดคำที่พูดท่านี้นะเอากลับค